ทั้งที่แล้วในเรื่องของปรินิพานวิถีพิเศษเพราะในเรื่องของมรณาสันวิถีนั้นได้พูดไปแล้วในมรณาสันวิถีที่จริงในการเรียนในเรื่องของปรินิพานวิถีก็คือเรียนในเรื่องของมรณาสันวิถีใช่ไหมมรณาสันวิถีนั่นเองการเรียนมรณาสันวิถีแต่เป็นมรณาสันวิถีของใครของพระอรหันต์จึงเรียกว่าปรินิพานวิถี เพราะถ้าหากจะพูดถึงในเรื่องของนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นโลกุตระธรรมเยอะนิพพานเป็นโลกุตระธรรมเนี่ยอันเป็นเอนิพพานนี่เป็นอยู่ในฐานะเป็นผลหรือเป็นเหตุอยู่ในฐานะเป็นผลหรือเป็นเหตุถ้าหากก็จะบอทุก์เป็นผลเน่ยไหมสมุทัยสัจจะเป็นเหตุมรเป็นเหตุนิพพานก็ต้องเป็นผลเนี่ยนะการจัดในเรื่องของคําว่าเหตุกับผลเนี่ยเขาจัดกันในลักษณะเช่นนี้ ในเรื่องของปรินิพานเนี่ยโดยเฉพาะถ้าหากจะพูดถึงย้อนไปดูในปริเชตที่เท่าไหร่นะปริเชตที่หกแท้จริงตอนนี้เราเรียนปริเฉตที่สี่ใช่ไนิพานนั้นอยู่ในปริเฉตที่หกเนี่ยซึ่งซึ่งได้เคยศึกษามากันบ้างแล้วเนี่ยก็ย้อนไปดูพอประกอบป ร, ประกอบนิดนึงก็คือว่าสภาพของพระนิพานเนี่ยโดยความหมายท่านแปลว่า ทำที่พ้นจากเครื่องเกี่ยวโยงเครื่องร้อยรัดนั่นเองเครื่องร้อยรัดในที่นั้นก็คือเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของตันหาใช่ไหมเพราะตันหานี่เป็นตัวเย็บเป็นตัวร้อยเป็นตัวผูกดูตรงไหนตันหาเป็นตัวเย็บตัวร้อยตัวผูกให้ดูตรงไหนตันหามันเย็บอะไรติดหมดเลยนะระหว่างพบต่อพบขันต่อขันเนี่ยให้สังเกตดูอย่างนี้ยอมตุยสรีระหรือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ที่ผูกติดกันได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเนี่ยนะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเกี่ร์ในกระดูกเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนั้นอะไรเป็นตัวร้อยตันหาเนี่ยอะไรเป็นตัวร้อยฉะนั้นลองสังเกตตัวผลของตันหาเนี่ยที่สุดจริงๆเดี๋ยวมันกระจัดกระจายไหมใช่ไหมเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่มันไปร้อยใหม่มันร้อยใหม่มันเย็บใหม่ ที่สจริงๆมันก็ไปทำให้เรามีขันมีสภาพที่จะต้องไปไ ป, ไปดูแลต่อคล้ายๆว่าตัณหาเนี่ยเขามอบอะไรให้มอบภาระให้มอบขันถ้าภาระภาระในการที่จะต้องแบกขันห้าบ้างขันสี่บ้างขันหนึ่งบ้างตัณหามันก็ 100, 100ร้อยร้อยตลอดเวลาเนี่ยโดยสรุปในพบพบหนึ่งเนี่ยร้อยไว้เยอะไหมตัณหาผูกไว้เยอะไหมตัณหาจะผูกไว้เยอะมาก ฉะนั้นสภาพของพระนิพพานเนี่ยก็คือพ้นจากเครื่องร้อยเนี่ยเครื่องร้อยเครื่องเกี่ยวโยงทั้งหลายเนี่ยโดยโดยสรุปโดยง่ายๆอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าแบบทําความเข้าใจแบบสั้นๆนะก็หมายความว่าถ้าหากตันหา ย, ยังทํางานอยู่ตราบใดตันหานั้นก็ยังจะต้องสร้างขันโดไปเพราะสภาพของตันหานี่เขาเป็นธรรมชาติที่ประกอบอยู่แล้วใช่ไหมเขาประกอบสัตว์ไว้ ประกอบให้ให้อยู่ในลักษณะอย่างไรรูปร่างอย่างไรอยู่ในภพใดภูมิใดเนี่ยสภาพของตันหามันก็จะร้อยแล้วก็จะประกอบสัตว์ไว้ทันทีส่วนอวิชาเขาก็กางกั้นอยู่แล้วสวตันหานี่ก็ร้อยรัดแล้วก็ปิดนี่เป็นอย่างนี้นะไดลักษณะที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานจะเป็นกันอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปแตในลองคิดดูดิชีวิตเนี่ยเอาแค่ภพเนี่ยนะเอาตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันถามว่า ความยินดีฉันทราคาที่เกิดขึ้นจากการพอใจหรือการผูกรัดในวัตถุในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถามว่ากี่ครั้งนี้นับไม่ท้วนเลยเนยีใช่ไหมใช่นับไม่ท้วนอะไรเลยถึงเป็นปัจจัยทำให้ตัณหาเกิดได้บ่อยๆเพราะสติเราไม่ได้อบรมเลยนะอย่าลืมนะถามาเอถ้าบอกว่าสติสัมโพชงเนี่ยจะเจริญอย่างไรนั่งถามกันตรงนี้ตอบกันไม่ถูกเลเนี้ย ถามวอี๋เราจะเจริญสติสัมโพชงอย่างไร้ายว่า ง, งั้นจะได้การตัญหาได้บ้างเนี่ยไอ ก, การเครื่องร้อยลัดเนี่ยว่างั้นมไม่รู้จะทํำยังไงถ้านในสูตรท่านจะบอกว่าไงท่านจะบอกว่าเจริญสติสัมโพชง์อาศัยวิเวกอาศัยเวราฆาอาศัยนิโรธาเนาะไปเพื่อการสละเขาให้บริจาคได้แล้วขันเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปถือขันใหม่ต่อไปคือทํำยังไงจะนิพพานได้ทำยังไงปรินิพพานวิถีจะเกิดได้นะ เพราะเราไม่คิดสละไม่คิดบริจาคใช่ไหมบริจาคสื่ออื่นได้แต่บอกบริจาคขันนี้ไม่ได้คือทิ้งอะ่ะจะทิ้งยังไงทําท่าแบบไม่สนใจได้ไหมไม่ได้ตัณหามันยังชอบอยู่เขาให้เจริญสติสำพโยชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาโ น, น้มไปเพื่อสละเนี่ยให้สละท่านบอกให้สละที่จะเจริญยังไงใช่มหมด้วยอัดของสติเนี่ยลักษณะของสติเนี่ยสำพโยชงเนี่ยให้เจริญลักษณะนี้ ลักษณะของสตินะก็คือว่าระลึกสิ่งที่ทําและ ค, นานนะคําที่พูดแม้นานได้คล่องแคล่วเอะจะจะระลึกยังไงใช่ไหมเออจะระลึกยังไงอ่ะระลึกสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้อ่ะระลึกได้บ่อยๆนะลักษณะเช่นนั้นนะเป็นสติเอาแค่มาถึงตอนเนี้ยมันบ่ายโมงกว่าแล้วเนี่ยวันนี้เอาแต่เช้ามานี่ทีระลึกไม่ออกนะว่าวันทําอะไรมาบ้างเนี่ย อาแค่ okay. สติตรงนี้เราเสียหายหลายอย่างแล้วนะทําไมต้องเจริญอย่างนั้นเท่าไหรบางคนบอกอุ้ยทำไมไมาเอาปัจจุบันเลอะเอาปัจจุบัน <c oughs> เจริญสติมันต้องปัจจุบันเท่านั้นนี่ทําไมเอาอาดีตอย่างนั้นเละต้องดูอย่างนี้อะไรเป็นอาหารของสติดูก่อนพิกโตทั้งหลายร่างกายอยู่ได้ด้วยอาหารใช่ไหมร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารถ้าไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้ฉันใดแม้สติสามพ่อชง ก็ฉันนั้นเหมือนกันสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่บริบูรณ์เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีอาหารแต่ถ้าสติสัมโพชงที่จะเกิดก็ที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญไปบูรณ์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะได้อาหารอะไรเราเป็นอาหารของสติโยนิโสมณิสิกาไอโยนิโสมณิสิการเป็นอาหารของสติอย่างไรถ้าดูตัวมโนทวารวัชนะเป็นต้นเนี่นย ตัวนี้เป็นอาหารของสติได้อย่างไรตัวมโนทวารวชนานี่ตัวนี้ลำพึงถึงอารมณ์ใชไ่ไอตัวลำพึงถึงอารมณ์เช่นลำพึงถึงอดีตสติไม่ใช่ลำพึงธรรมดานะยังเป็นปัจจัยให้สติเกิดในชาวนาได้ด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจเจริญสติสัมโพชงอาศัยวิเวกอาศัยวราฆ่าัายนิโรธ น, น้อมไปเพื่อจะสละอาศัยอะไรลำพึงก่อน เช่นล้ำพึงถึงสิ่งที่ทําล้ำพึงถึงคําที่เคยพูดล้ำพึงถึงบ่อยๆใช่ไหมแต่ล้ำพึงเพื่อเป็นปัจจัยให้สติไม่ใช่ไม่ใช่ล้ำพึงผิดบางคนล้ำพึงผิดเป็นปัจจัยเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างคิดถึงบ้านก็ราคะความกําหนัดเกิดคิดถึงบ้านก็โทสะเกิดคิดถึงบ้านก็โมหะเกิดนี่เป็นอย่างนี้ฉันให้ล้ำพึงถึงบ่อยๆค ตรบ่อยๆใช่ไหมนึกถึงสิ่งใดบ่อยๆแต่สิ่งนั้นที่นึกไปแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อทําให้สติระ ล, ลึกขึ้นจเจริญขึ้นเนียไม่ใช่ลำพึงเพื่อที่จะทําให้ราคาโทสาโมหะเป็นต้นเป็นไปเห็นไหมการลำพึงในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจเจริญสติสัมโพชงถ้าไม่ลำพึงถึงบ่อยๆอ่ะสติจะเกิดจะสติจะได้ทํางานไหม เมื่อสติไม่ได้ทำงานสติอ่อนแอเมื่อสติอ่อนแอก็กลายเป็นคนหลงหลงลืมๆจะไม่มีอะไรทำไมอีพักนี้จำอะไรก็ไม่เคยได้อน <c oughs> นี่ชีวิตไม่เคยลำพึงถึงสิ่งที่ทําคำที่พูดเลยจะไปลำพึงได้จะไปนึกได้อีกทีก็แปลว่านึกทีไรกลัวตายทุกทีเยอะเยอะเพราะ yeah. ไม่เคยลำพึงอัและลำพึงยังไง <ข>ก็ตรงนั้นก็ตรงนั้นก็ถึงบอกไงเราจะเจริญอะไรเหละ <c oughs> เราจะเจริญอะไรเราจะอบรมสติใช่ไหมจะเจริญจะสะติจะพ่อพูนสติเด <c oughs> ี๋ยวยังพูดไม่จบอีกนิดหนึ่งสติเนี่ยถ้าสติเกิดอย่างเดียวต้องมีปัญญาด้วย ต้องอาศัยเจริญธรรมะวิจัยวิจิตรสำพวดชงควบคู่ไปกับสติด้วยนะเพราะไว้เมื่อสติขาดปัญญาแล้วเป็นทุรพละจะซ้ำกำลังนะจะไม่มีกำลังอยู่ได้ไม่นานแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวัญหากินหมด <c oughs> ความอยากรัดลึงหมดนี่เป็นอย่างนี้นะแต่เอาไว้วันเสาร์ค่อยบรรยายนะพวดชงอันนี้ แต่ตรงนี้ต้องการพูดให้เข้าใจจริงๆว่าวิธีการเจริญในอบรมสติเนี่ยทําไมบางคนเจริญอบรมสติไม่เป็นเนี่ยนะเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเป็นอย่างดีก็เลยปีเป็นหากลัวเหลือเกินแต่ปฏิบททัติธรรมอะไรจะมีอารมณ์เป็นอดีตเนี่ยกลัวกันมากใช่ไหมโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้นเอาปัจจุบันอย่างเดียวฝืนความเป็นจริงมากเลยที่สุดจริงๆกลายเป็นแคบเม็ดเนีลย <c oughs> แล้ว เลยไม่ควรต่อการที่จะบรรลุธรรมไม่ควรต่อการบรรลุธรรมไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยที่จะเจริญอบรมสติอะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนี้ความเกิดและความตายของแต่และบุคคลที่ผ่านมาแล้วนั้นถามว่าคํานวณได้ไหมว่ามากมายขนาดไหนใช่ไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของม ร, า ร, รณาสันนวิถีม ร, า ร, รณาสันน การมรณาสันนบุคคลเนี่ยนะทุกคนเคยกลายเคยตายเคยเกิดกันมาแล้วมาตั้งนั้นแล้วก็จะต้องไปตายไปเกิดต่อไปในอนาคตถ้าตราบใดเรายังมีกิเลสอยู่คิดแล้วมันก็เป็นเรื่องซ้ำสร้างน่าเบื่อนหน่ายมากนะถ้ามาจะต้องมาเกิดแล้วก็จะต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสมมุติว่าเราเป็นมดตัวหนึ่งใช่ไหมอายุอยู่ได้ไม่ถึงเจ็ดวันเดี๋ยวเกิดแล้ว เกิดในไข่มดนั่นแหละสักภัคหนึ่งอพอมีชีวิตออกมาได้วันสองวันตายแล้วแก่แล้วก็ตายอีกแล้วเกิดใหม่อีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นนะสักร้อยครั้งพันครั้งนะในเดือนเดือนหนึ่งนะถามเราจะน่าเบื่อแค่ไหนนี่เราไม่เห็นใช่ไหมว่ามันน่าเบื่ออย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะจริงๆเป็นอย่างนั้นนะ ที่จริง ม, มันมันมันเล็กน้อยนิดหน่อยมีความคับแค้นมากมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอายกตัวอย่างเช่นเราเห็นมดตัวหนึ่งเอามดมาเลี้ยงไว้ใส่อะไรก็ไว้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งตายไหมเอาตัวใหม่มาอีกตายอีกเอาตัวใหม่มาอีกตายอีกตัวใหม่มาตายอีกเนี่ยนั่นก็มันตายเร็วมากแต่เราดูอยู่อย่างนั้นถ้ายัางเทวดาทั้งหลายดูเราก็เบื่อหน่ายมาก ทำไมพวกมนุษย์อายุสั้นขนาดนี้ยังประมาทกันอยู่เหมือนเราดูพวกมดพวกปลวกเนี่ยส่วนพร้อมดูเทวดาก็โอ้ยหน้าเบื่ไหน่ายมากทำไมเทวดาทําไมประมาทเลอะเลอะกันอนย่งคนอนยุทต่างมากต่างกันไงก็มองต่างกันออกไปอันนี้ในกลุ่มที้โ ม, ม, มหะนะแต่ถ้ากลุ่มที่มีท่านละโมหะได้หรือฟังพระธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยท่านบอกจริงๆแล้วสั้นหมดเลยอายุนี่สั้นหมดเลยนิดหน่อยมีความครับแค้นมากมีทุกข์มาก เหมือนน้ำน้ำค้างอยู่บนยอดยาขาเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบอลนนะ่ยเดี๋ยวก็แห้งมันเป็นอย่างนั้นไอ้ความตายมันรวดเร็วแต่เราเห็นว่ามันช้ามันนานใช่ไหมนานจําเจย์อยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องจากก็แค่ตรงนั้นน่ยมีอะไรหรอกเจอหน้ากันก็รีบบอกกันไปไว้บอกกัเดี๋ยวก็จะจากแล้วนะรีบบอกกันไว้ซะเจอหน้าใครบอกสัก่งลาไปซะมันเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆัค่ลักษณะของ ของการเกิดการตายเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้าดูสภาวะของพระนิพพานเนี่ยย้ำตัวใสังเกตอย่างนี้สาวุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานเห็นไหมถ้าสาุปาทิเสสนิพพานดูจากที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้อะไรได้กิเลสนิพพานกิเลสนิพพานก่อนเห็นไหมอย่างนั้นเป็นสาุปาทิเสสนิพพานาธาตุนะไม่เอาที่เราจะเรียนกันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่สาวปาที่เสสนิพพานธาตุนะเพราะนิพพานมีกี่อย่างอะ่ะมีกิเลสนิพานนนพานขันธ์นิพพานแล้วก็ธาตุนิพพานเนี่ยนะ้าหมายหมายเป็นอย่างนี้ถ้ากิเลสนิพพานแปลว่ากิเลสมันหมดมันไม่เกิดอีกอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระบรมศ า, ศาสดา ต, ตรัตถุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่ไหมที่พุทธคยา บริเวณที่ใต้ต้นสีมะโปรัตนบัลลังก์ที่แท่นวัชระอาจ น, ะนั่งนะที่ตรงนั้นแล้วก็กิเลสนิพพานนั้นได้นิพพานแล้วนะแต่กิเลสนะนิพพานแปลว่าท่านได้นิพพานแล้วกระแสจิตของท่านถึงพระนิพพานได้สัมผัสพระนิพพานแล้วที่วันเป็นขึ้นสิบห้าคำเดือน 6, หกถือมปัจฉิมมายามยามสุดท้ายนั่นแหละ พระทเจ้าได้นิพานตรงนั้นไม่ใช่ใช่แต่ในลักษณะของคำว่าปรินิพานวิถีเนี่ยมาเอาช่วงนี้ตอนที่พระบรมาศาสดานิพานที่กรุงกุสินราที่สาลวโนทยานเนี่ยอันนี้ขันธ้าปรินิพานเลยเดี๋ยเนี้เพราะอนิพานในครั้งนี้หมายเอาจุดติจิตเนี่ยใช่จุดติจิตครั้งสุดท้ายอ่ะที่มาทากิจ พรจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมหาิบากญา น, นสัมปยุทธดวงแรกดวงที่หนึ่งอ่ะอันนั้นตัวจิตที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิให้กับพุทธเจ้าคือดวงนั้นไนะนั่นแหละมหาิบากญานะสัมปยุทธโสมนัสอสังขาริกไงยโอมด้ยนั่นแหละดวงแรกนั่นแหละทําหน้าที่ปฏิสนธิด้วยแล้วก็ทําหน้าที่ผวางให้กับพระองค์ด้วยและในขนาดเดียวกัน ในวาระสุดท้ายก็ทำหน้าที่จุติด้วยจติจิต ด, ด้วยคือตายนี่เป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของปรินิพานตรงเนี้ยเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานทีนี้อนุปาทิเสสนิพานเนะี่ยมันคืออะไรเยกใครตอบได้ไหมเนี่ยนิพานที่ไม่มีขันห้าคือวิบากและกรรมชรูปเหลืออยู่ได้แก่นิพานของพระอรหันต ที่ปรินิพานแล้ววิบากและการมชรูปที่เหลือนะ่ยไม่มีแก่นิพานใดฉะนั้นนิพานนั้นชื่อว่าอานุปาทิเสสะถ้ากิเลสเลิ่อทีออถ้าวิบากและการมชรูปยังเหลือแก่นิพานใดไ อ, อ้ตรงนั้นเป็นอะไรเนะี่ยเป็นสาวปาทิเสสะได้แก่นิพานของพระ้าทหารที่ยังยังมีชีวิตอยู่มีสองอย่างนะทีนี้ ในลักษณะของนิพพานเะนี่ยแปลว่าขันห้าดับเออถ้าเราดูตรงนี้ก่อนนะเนีก็ดังที่ได้กล่าวเขาไว้ว่าในกรณีที่ปรินิพพานในคำคำนั้นนะเนะี่ยก็หมายความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดนี้ไม่มีเหลือแล้วคือจุดติจิตในขณะนั้นเนะ่ย<ม>เกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยจะไม่มีปฏิสนทิจิตเกิดต่อไม่เป็นปัจจัยก่การที่จะต้อง เกิดต่ออีกต่อไปทิ้งขันขันนี้แล้วสละขันขันนี้แล้วก็ไม่ไปรับขันขันใหม่ไม่ไปแบกภาระขันขันใหม่อีกต่อไปลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่า น, นิพพานทีนี้ไปดูในความหมายความหมายของปรินิพานวิถีฌ า, านสมณตระวิถีปัจเจเวกอะไรปัจเจเวกอะไรปัจเจเวกขณะสมณตระวิถีแล้วก็อะไร อภิญยาสมาตะวิถีแล้วก็ชีวิตตัดสมาสีสีใช่ไอ่ะไปดูเกี่ยวในเรื่องของฌานสมา น, นตระคำว่าฌานก็แปลว่าฌานสมนบาบัติวิถีอ่ะอันันตระนั้นก็แปลว่าไม่มีระหว่างขั้นวิถีก็คือวิถีใช่ไมฌานสมานตะวิถีก็หมายถึงไงออกจากฌานสมนบาบัติวิถีแล้วจุดติดจิตไม่มีวิถีจิตอื่นมาขั้นก็แปลสั้นๆแปลอย่างนี้นอา้าวมีวิถีอื่นหรือเปล่า มีวิถีอื่นหรือเปล่าออกจากชาญแล้วตายอ่ะว่า ง, ง่ายๆไม่ได้มีวิถีจิตอะไรมาขั้นเลยนะไอ้ที่ผวังเขาจะมาแปลสภาพก็คือจะมาตายนั่นแหละใช่ไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีระหว่างขั้นไม่มีจิตอะไรมาขั้นเลยเอาผวังยังไงนั่นแหละดวงนั้นเลยไม่ใช่ชาวนะไม่ใช่อะไร ต, รต่างๆมาขั้นไม่มีจิตอื่นเลย นี่ลักษณะอย่างนั้นเรียกฌานสำรันตรวิถีถ้าปัจเจเว ก, กคือพิจารณาองค์ฌานแล้วก็เป็นไงพอพิจารณาองค์ฌานแล้วก็ตายอะ่ะอย่างนั้นก็เรียกปัจเจเวขณะวิถีอภิญญาวิถีก็คือออกจากอภิญญาแล้วก็ตายเห็นไหมเอาง่ายๆอย่างงี้นะหรืออีกอย่างก็คือว่าชีวิตตรรมสมาสีสีก็คือออกจากปัจเจเวขณะวิถีสุดท้ายแล้วก็ตาย แต่โดยสภาว่าตามอักสรก็วิถีที่มีกิเลสหมดพร้อมกับความตายก็กิเลสหมดปุ๊บก็ตายเลยเนี่ยมันก็น่าดีใจนะแต่ทําทอย่างนั้นเนี่ยพระเพียรที่จะเชือดคอตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยแล้วกิเลสก็หมดด้วยแล้วก็ตายด้วยอย่างเนี้รักษณะงนี้นิพพานด้ว ย, ยถ้าอย่างนี้ก็น่าจะเชื่อ <c oughs> ใช่ไหมจ้าแต่ำคำเชื่อแล้วอบายทุกขติวิบากนรกก็ก็อย่าเอาถ้าอย่างนั้นก็อย่าเอา ไม่ไหวคมไหมคมไม่คมไม่คมเนะ่ยมองตรงนี้อ่ะนะมองตรงนี้เป็นเป็นประการอะไสำคัญทีนี้ฌานสมนานตระปัจเจเวคคณาวิถีเนี่ยเกิดในกาลมรสกติภูมิได้ไหมเจ็ดได้ใช่ไหมรูปภูมิ15หเว้นน่สัญญาแล้วเกิดในรูปภูมิก็ได้ใช่มอันนี้ว่าโดยย่อๆไปก่อนนะเดี๋ยวไปแยกแยะอะไรดีอีกที อภิญญาวิถีเกิดในการมสุกติภูมิเจ็ดแล้วก็รูปภูมิสิบห้าเว้นใสัญญาสัตภูมิเท่านั้นนะไม่เกิดในรูปภูมิเพราะในรูปภูมินั้นไม่สามารถทําอภิญญาได้ทําอิทธิปฏิหารไม่ได้ในรูปภูมิอยู่ในมนุษย์นี่ทําได้แต่ต้องมีเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ไหชีวิตตาสมมาศีสีวิถีเกิดแค่ว่าในการมสุกติภูมิเจ็ดเท่านั้นนี่ว่าโดยโดยลําดับของเขาเอ๊ะทํำไมยังเป็นอย่างนั้น ทำไมชีวิตตาสมาสีสีเนี่ยไม่เกิดในอารูป์ทำไมไม่เกิดในรูปภูมิไม่มีทุกขเวทนาจนจะเป็นเหตุทําให้ตายนะในรูปภูมิรูปภูมิไม่มีหรอกไม่มีทุกทุกขเวทนาทุกกายหรือเจตสิกทุกข์ก็ไม่มีทุกท ก, าท ก, กา ย, ก ท, กก ท, กกายทุกใจท่านไม่มีอ่ะจะเป็นปัจจัยเบียดเบียนให้ท่านตายได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมท่านก็หลอดพ้นไปถ้าไม่อยากทุกกายทุกใจก็ทํำยังไงถึงจะไปเกิดเป็นพลม่ะ อารมณ์ของปรินิพานวิถีเนี่ยเช่นในชาวนะเออตรงนี้มาพิจารณากันก่อนเลยนะในมรณาสันนาะชาวนะในปรินิพานวิถีไม่ได้มีอารมณ์เป็นกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์นะอย่าไปเรียกนะเพราะว่าอารมณ์ที่มาปรากฏในมรณาสันนวิถีที่เป็นปรินิพานวิถีไม่เรียกว่ากรรมว่าอารมณ์ ไม่เรียกว่ากรรมมณิมิตอารมณ์ om, หรือไม่เรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ทําไมไม่เรียกเพราะถ้าเป็นกรรมมะอารมณ์ A om, หรือกรรมมณิมิตอารมณ์ om, หรือคตินิมิตอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นจะต้องทําปฏิสนธิในภพต่อไปแต่ในที่นี้พระหักฐานท่านมีปฏิสนธิจิตในภพต่อไปคือท่านเกิดไหมท่านไม่เกิดแล้วฉะนั้นถ้าในขณะที่ท่านไม่เกิดจึงไม่มีกรรมมะอารมณ์กรมมณิคตินิมิตแต่พวกเรามีนะ พวกเรานี่มีเลยยังทังจะตายเนี่ยมาเนี่ยนอนไม่ต้องกลัวเรากรร ม, มอารมณ์บ้างกรร ม, มนิมิตบ้างหรือคตินิมิตบ้างถ้าไม่ดีก็รู้เลยว่าชาติต่อไปแย่แน่ให้รู้ไว้เลยรู้ตั้งแต่รับนิมิตไม่ดีนั่นแหละให้รู้เลยว่าเราแย่แน่แล้วลําบากอีกนั้นแล้วแต่คติที่กรร ม, มนิมิตนั้นจะผลิตวิบากเออจะเป็นปัจจัยให้กับชาวนาเกิดขึ้นแล้วมันกรรมอะไรอะจะลําบากอีกนั้น แต่ถ้าเป็นนิมิต ท, ที่ดีก็เตรียมยิ้มรองรับได้แลยเอาแล้วว่าเราคงจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เนี่ยคิดเองแก้ไขตัวเองทันหมครั<ม>คิดว่าทันไหมเนี่ยสมมุติว่า<ม>ไอ้นิมิตมาปรากฏก็ไม่ดีอย่างเงี้ยใครคิดว่าทันไหมทันไม่ทันจวนเตียนจนเจียนกําลังออกแอกออกแ อ, อกจะไปไม่ไปแลไรเนี่ยไอ้นิมิตก็ปรากฏไม่ดีเนี่ยคิดว่าจะทันไหมเอาใครคิดว่าทันไหมเนี่ย เรียนนะจะทันนะล้วบอกอุ๊ยเราศึกษาพระธรรมมาปัน่นี้ว่างั้นเห็นไม่ดีเราก็พิจนารณาให้ดีได้ตอนนั้นอ่อนแอหมดแล้เนี่ยอ่อนแอหมดแล้ ว, on ลวโอ้โ ห, و, หน่ากลัวนะริบเจริญกุศนนลนะริบเจริญกุศนนลถ้าอารมณ์ไม่ดีปรากฏก็ยุ่งกันเลยทนะี่ได้เรียนนิพรรมแทบแย่ตกนรกยุ่งเลยหมองงูตายเพราะงู <c oughs> เสร็จเลยเนี่ยยอนตัวต้องระวังกันเนี่ยใช่ไหมบอกเอ้ได้ข่าวเลียนวิถีมาว่าไงเนี่ยบอกโอ้โหแย่เลยตอนจะตายกําหนดไม่ทันว่าไงยนงไงบอกโอ้โ oh, หทไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยบอกเพิ่นไปหน่อยบอกขอย้อนกลับได้ไหมว่าไม่ได้แล้วมาที่นี่เราห้ามเรียบร้อยเลยอารมณ์ของปรินิพานวิถีไม่มีกรรมมอารมณ์เป็นต้นนะเพราะใน อุปนิสัยของผ้าลหานนั้นไม่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะตามส่งผลบางทีท่านเรียกอะไรนะท่านเรียกกิริยานิมิตท่านเรียกไปอย่างนั้นเลยเรียกว่ากิริยานิมิตไม่เรียกว่ากรรมนิมิตเลยนะคือจริงๆตรงนั้นท่านมีรูปนามเป็นต้นเลยนะแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างถ้าอภินยาใช่ไหเออเาถ้าฌานสำนันตะวิถีก็มีอมีมีม มีปฏิภาคคณิวิทบ้างอะไรบ้างอารมณ์ของชานญจิตนั่นะท่านก็มีนั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็จุดติจิตถามมาแล้วจุดติจิตของท่านมีอะไรเป็นอารมณ์มีคือเนี่ยไปดูในไปดูในในอีกที่หนึ่งนะท่านกล่าวเขาไว้อย่างนี้อะเตลิดเป็นหน่อยหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกไว้นะท่านบอกว่า ข้อความเล็กน้อยอยู่ก็คือว่าในบาลีในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยบางที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานในจุดจิตจุดิจิตรับเอาพระนิพานเป็นอารมณ์ไปกล่าวอย่างเงี้นะบุคคลผู้กล่าวเช่นนั้นส่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ตรวจดูบาลีธรรมสังคณีตอนว่าด้วยอรารมณติกะให้ดีก่อนคือไม่ได้ตรวจดูให้ดีว่าบาลีพุทธพจน์ที่ว่าในอรารมณติกะนะ พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยจำต้องปฏิสนธิด้วยลายกา마วจรมหาวิบากใช่ไหมดวงที่หนึ่งเนี่ยสัตว์ทั้งหมดก็จุติจะต้องมีอารมณ์เป็นปฏิสนธิจิตในชาติปัจจุบันนะไหมแม้ปรินิพานจิตแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเสด็จดับขันธปรินิา พ, นพานก็จะต้องมีจุติจิตเนี่ยรับอารมณ์ของปฏิสนธิจิตของพระ อ, องค์จึงมีปัญหา ขึ้นมาบอกว่าจุดติจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเอาอะไรเป็นอารมณ์กันแน่ของพระเจ้าอ่ะหมายความว่าถ้าจุติจิตของพระพุทธเจ้าใช่ตอนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปริยิพานเนี่ยในหลักฐานบาลีท่านแสดงเขาไว้กตเมธรรมาปริตา ร, รมนาสภพอกา ม, มาวัาจราวิปากิกริยามณธ า, าตุเป็นต้นเนี่ยนะโดยความหมายก็ว่าเป็นอันว่ามายบาจิต อปริฏตารมณ์เป็นอารมณ์แน่นอนเป็นเอกันต์อารมณ์ต้องเป็นการมธรรมยู่ไหมปริตารมนาเนี่ยปริฏตาปริฏตาเนะี่ยก็แปลว่าเล็กน้อยเนียเออปริฏตานี่ในในสั บ, ส, บ, ส, บสับนะั้นะะ น, นี่ยก็แปลว่าเล็กๆน้อยน้อยนี่ยปริฏตะเช่นอะไรเดียอ่าก้อนก้อนคิววะเล็กเล็กน้อยน้ยอยเล็กเลกน้อยน้อยเป็นผูพังเร็วไหม ไอ้ก้อนขี้วัวเล็กๆเนี่ยแตกสลายเร็วไมอ่ะนิดหน่อยทำรรที่เป็นปริตธรรมก็เล็กน้อยแบบนั้นหรือคตินิเวนอารมณ์นะจุติจิตเนะี่ยอย่าไปบอกว่าจุติจิตมีนิพพานนะเนี่ยจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยขัดขาดหลักหมดเเป็นอ น, นว่า<อ>หมายบากจิตอปริตปริตารม์นะเป็นอารมณ์แน่นอนเป็นเอกันตฎเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นอ น, นขาดนะ นั่นจะไปบอกจุติจิตเนะี่ยไปนวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะอย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าไปเจอตรงนั้นก็รีบช่วยกันแก้ไขเลยโอตรงนั้นไม่ตรงนะถ้าไปเจอใครพูดอย่างนั้นก็ช่วยบอกโออย่างนี้ไม่ตรงต้องบอกงั้นนะอะเดี๋ยวต่อไปทําความเข้าใจตามลําดับเริ่มแรกครั้งที่นั้นก็คือการเกิดขึ้นของฌานสมานตราวิถีนี่ระพิญยาสมานตระวิถีหรือ ไ, ไม่ใช่ไหม ฌานสำนัตรวิถีนี่พูดพูดไปแล้วเนี่ยถามว่าพระดอรหารเมื่อกลอยายะปริญนิพพานในเข้าฌานสมาบัติก่อนเพื่ออะไรอ่ะท่านทําเพื่ออะไรเพื่อระงับดับเสียซึ่งทุกขเวทนาทั้งปวงที่เกิดขึ้นทางไหนทางกายของท่านให้สังเกตดูที่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานใช่ ไ, ไม้มอุ้ยพระ อ, องค์เหนื่อยมากเดินจากกรุงเดินเดินจากไอเสด็จทรงดําเนินจากอะไรนะ จากไอเวสาลีหรือจากไผ่สาลีอ่ะเราเดินไกลามากแล้วไปปาวานครตามลําดับเนะียไปไรบางถ้าไล่ไปตามลําดับเขาไล่อย่างไงไล่เวลูกคามพันธุคามเป็นต้นไปตามลําดับนะี่ยชำพุคามโพคนครปาวาเดินโอ้โหไม่ใช่น้อยน้อยนะเดินจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง ถ้าจะพูดกันแล้วเหมือนประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเหมือนอย่างนั้นเนี่ยไกลเนะถ้าเดินลักษณะนี้ไกลได้อย่างเราก็ทําไมพระองค์ไม่เข้าฌานสมาบัติในช่วงนั้นยังตุ้ยตอบได้ไหยทําไมพระองค์ไม่เข้าฌานสมาบัติตอบได้ไหมเดินนะ่ยไม่ยอมเข้าฌานเนยะปล่อยให้โลกภัยลุมแล้วตลอดเวลาเข้าฌานนะ่ยพระองค์เนาะพระองค์ปรองพระชนมาอยู่สังขารแล้ว ต้องมองตรงนั้นนะก็แปลพูดอย่างภาษาเราเราคือคือต้องการตายนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะตรงนั้ น, น, นที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนี่เพราะว่าตามคามาราธนานะียตามคามาราธนา ค, คือเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวกันในเรื่องของกรรมเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นแ น, ะน่นอนนะถ้ามันได้ช่องเมื่ อ, อไหร่มันส่งทุกคนแม้ใแต่เราเอง เพราะกรรมในอดีตแต่และบุคคลที่ทํามามากมายด้วยกันนะงั้นอย่าพวกเราเนี่ยที่เรายังนั่งสบายใจกันดีหน่อยนี่ก็เพราะว่าเขายังไม่ได้โอกาสแต่เชื่อไหมถ้าเขาได้โอกาสเมื่อไรมีไหมที่เขาจะไม่ส่งผลมีไหมไม่มีเลยทุกคนตอนนี้เขารอโอกาสอยู่นี่เผลอเมื่อไหร่เล่นงานเมื่อ น, นั้นเลยเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเป็นอย่างนั้นไงเป็นนั้นตลอดเวลาจริงๆนะมันจ้องโอกาสอยู่นะอย่าลืมนะ มันรอรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจริงๆคือท่านต้องการลั ง, งับนั่นเองหลังให้สังเกตดูพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะพักตั้งหลายเที่ยวนะอาจเจียนเป็นโลหิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดินรอนแรมไปในที่สุดจริงๆว่าไปถึงกุสินาราก็ที่ไปป ร, รินิพานนะนี่เป็นเงินอะดูการเกิดขึ้นตามลำดับในดูในหน้าฌานสำนัลตรวิถีเลยนะ พวังขจารณะพวังคุประเจทมนโนทวารา ว, ช, าวาาราชวนาหากริยาชวนะดวงใดดวงหนึ่งชื่อว่าปริกรรมอุปจาระอนุโลมอันนั้นเป็นมหากริยานะมหากริยาชาวนาดวงใดดวงหนึ่งมหมากริยาชาวนามีอะไรเป็นอารมณ์ในขณะนั้นหมากริยาชาวนามีอะไรเป็นอารมณ์น้อมเข้าฌานอะไรแหละอารมณ์ฌานนั้นแหละปรากฏใช่ไหมปฏิภาคคณิมิตของอารมณ์ของฌานนั้นแหละปรากฏ แล้วก็โครตรภูหลังจากโครตรภูดับลงแล้วเนี่ยมหาคตกิริยาจิตเชลนาดวงใดดวงหนึ่งในเก้าวดวงอะ่ะตั้งแต่ปฐมทุติตตีเจตุตุดแล้วก็ปัญจแล้วก็รูปชาญอีกสี่กิริยาทั้งนั้นน่นนะมหาคตกิริยาเก้านั่นแหละดวงใดดวงหนึ่งเกิดซึ่งมีกสินบัญญัติเป็นต้นนั่นเองเป็นอารมณ์นะเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดจนเวลาที่อธิฐานเขาไว้ก็แปลว่าท่านอาธิฐานไว้เท่าไหร่ ชํานานมากนะเนี่ยคํานวณการอธิษฐานเพื่อให้กรร ม, มชรูปดับออกมาแล้วจุติจิตปรินิพานจิตเกิดเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเอาดูอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าฌานอะไรก่อนจริงๆคํานวณเลยใช่ไหมว่าเข้าฌานได้กี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีออกจากฌานปุ๊บจุติจิตเกิด แล้วกรร ม, มชัรูปดับพร้อมด้วยอุ้ยทําไม่ต้องฝึกเป็นอย่างดีอะเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับสูงทําได้ไหมไม่ได้ ม, ม, ม, ม, มันมันมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยคือรู้ว่ากรร ม, มชัรูปของตนเองเนี่ยมีอายุอยู่อยู่เท่าไหร่คํานวณไว้แล้วประเภททีู่หคานวณตัวเลขไว้เบ็ดเสร็จเพราะกรร ม, มชัรูปเกิดทุกๆุกขณะของจิตใช่ไหมสมมติ ว, มว่าจะเกิดอีกประมาณ ลาลาล้านเนย น, น, นะดวงแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ดับดับไปประมาณเนี้ยบอกว่าอาคิดเป็นวันเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยบอกอจะเกิดดับประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยเนี้ยก็คํานวณเบ็ดเสร็จพอก่อนจะถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณสิบวีอ อ, อกออกมาทําให้พระวังทำทำจุติจิตช้านชานชา น, ชานเขาคํานวณก่อนหนะ้า อธิษฐานก่อนใช่ไหมแล้วเข้าฌานใช่ไหมฉะนั้นก่อนที่ท่านจะอธิษฐานนั้นเนะี่ยท่านทำอะไรให้สังเกตอธิษฐานวิถีไงก่อนที่จะเข้าฌานเนี่ยนะจะ ท, ท่านอธิษฐานก่อนเบีเสร็จแล้วว่าจะต้องเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่มันเหมือนอย่างนี้ดิเอาถ้าเราสมมุติว่าเราขายของเราขายของ แล้วขายจนแม่นยําแล้วมีลูกค้ามาเนี่ยมาซื้อของเนี่ยวันนี้ประมาณเท่านี้ของจะขายเสร็จประมาณเท่านี้มันกาดได้จนชํานาญขนาดนั้นนะจ๊ะคือเขาจะต้องสั่งของประมาณนี้แล้วของนั้นจะต้องหมดเวลาเท่านั้นท่านี้แปลว่านี่ชนานาญมากใช่ไหมลักษณะของฌานสำรันตรัสวิถีนี่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขากําหนดได้ท่านกําหนดได้จุดติจิตก็จะเกิดได้ทันทีหลังจากนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้นะส่วนประการต่อมาคือปัจเจเวก ขนาดสำนันตระวิถีปัจเจเวขนาดสำนันตระวิถีเนี่ยเกิดขึ้นยังไงถ้าว่าโดยวิถีของเขาก็คือวิถีเหล่านี้เกิดกับพระรหันตะ บ, บุคคลใช่ไหมภูมิได้26ภูมินะการมาสุขติภูมิ7แล้วก็รูปภูมิ15บห้เวนัสัญญาสัตตภูมิแล้วก็อรมณภูมิอีก4เข้าใจคําว่าปัจเจเวไหมปัจเจเวหมายถึงพิจารณาองค์ฌานแล้วก็ตายยนะแล้วก็นิพพานเนะี่ย คือปัจเวคขัะพระรหัสใกลจก้จะบริลัยพานเข้าสมาบัติก่อนใช่ไหมเมื่อเข้าสมาบัติแล้วเนี่ยก็ระงับดับเสียซึ่งทุกขเวทนาทั้งปวงที่เกิดขึ้นทางกายนั่นเองวิถีจิตก็เป็นไปตามลําดับระวังระวังกัจจันนะระวังคู่ประเชทมะมโนวทวาราวัชนะมหากิริยาชาวนะดวงใดดวงหนึ่งมาทําหน้าที่บริกรรมอุปยาราอนุโลมแล้วก็โคตรภูเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงต่อจากนั้นมหากัจจกิริยา ชาวนาก็เกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนฌานสมาบัติไหมเหมือนแต่ต่างกันตรงไหนต่างตรงไหนอ่ะต่างกันคือว่าเมื่อท่านเข้าฌานแล้วเนี่ยฌานท่านก็มีพวกกระสินเวนต้นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเรื่อยตลอดเวลาเท่าที่อธิษฐานเมื่อถึงเวลาที่ตนเองกําหนดอธิษฐานไว้ภายหลังที่ได้ออกจากฌานสมาบัติแล้วปัจจเวทคณาวิถีเกิดขึ้น คือหลังฌางสมาบัติเกิดแล้วนี่นะจุดติดจิตยังไม่เกิดทันทีอ่ะปัจเจเวคณาวิถีเกิดเอ๊มีภาพดูไหมอ่ะไหนดูที่ดูภาพที่หน้าที่เท่าไหร่อ่ะดูหน้าสี่สิบที่เออดูนี่ปัจเจเวคณาวิถีเออปัจเจเวขนาดสำรันตระวิถีมห็นไห้ให้สังเกตดูในหน้าที่สี่สิบผวังผวังก็จะได้นะผวังคูปรเจธมโนทวาราวชนะปริกามูบจารานุโลมโคตรภู แล้วก็ฌานเกิดเรื่อยไปฌานะเจตเกิดดับเรื่อยไปมองเห็นแล้วนะตอนนี้นะเกิดดับเรื่อยไปตรงนี้คือมหาคตากิริยาเก้าก็แปลว่าพระละหันก่อนที่ท่านจะนิพพานนั้นท่านเข้าฌานก่อนแล้วแต่ว่าท่านจะน้อมในการเข้าฌานอะไรปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานก็ได้ตติยฌานก็ได้จตตุทธฌานปัญจมฌานหรืออรูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสรุปคืออย่างนี้ ในวิถีนี้เกิดยี่สิบหกภูมิอยู่ไหม้องดูที่ยี่สิบหกไหมอ่าการมรสุกติภูนเจริญรูปภูมิสิบห้าวนสัญญาแล้วรูปภูมิสี่เนี่ยถ้าบอกแสดงในภูมิเหล่านี้ถ้าท่านผู้นั้นได้ฌานท่านเข้าได้หมดแล้วท่านได้ฌานอะไรชํานาญฌานอะไรท่านก็เข้าฌานของท่านเป็นอย่างนี้นะก็แปลว่าท่านเข้าฌานต่อมาออกจากฌานเพราะอธิษฐานเข้าไว้เนี่ว่าจะเข้าฌานเท่าไหร่กลุ่มนี้ไม่ใช่เข้าฌานแล้วออกจากฌานจุติไม่เหมือนกลุ่มแรก กลุ่มนี้แปลว่าออกแต่จริงๆคำนวณมันเงินเพราะกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะต้องออกมาพิจารณาปัจเจกใช่ไหมหลังจากพิจารณาฌานแล้วจะไม่วิธีไม่มีวิธีอื่นเกิดขั้นเลยเนอะซึ่งก็ทำไม่ใช่ง่ายๆเนอะใช่ไมไม่ใช่ทำง่ายนะแบบกลุ่มแักสากลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นบอกว่า หลังออกจากฌานแล้วจะไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์เลยนะเอาองค์ฌานเป็นอารมณ์เสร็จจากการเอาองค์ฌานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยน้อมไปเพื่อจะปรินิพานเลยง่ายหรือยากกับกลุ่มเนี้ไม่ง่ายหรอกไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่ต้องปล่อยตามสภาพยื้อกันถึงสุดใช่ไหมยังไงยังให้ตายเร็วอะ่ะอย่างเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยขนาดยังมีอะไรดิน้นเกื้อกูลเนี่ยช่วยเขาไว้ช่วยเขาไว้เอ กลุ่มนี้ไม่ไม่ต้อไปยุ่งกันได้หรอกเรื่องการตายเรื่องการนิพพานของท่านท่านบริหารท่านเองใช่ไหมกลุ่มนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับท่านคือกลุ่มกลุ่มนี้ก็แปลว่าฌานของท่านเนี่ยท่านฝึกมาดีแล้วเนี่ยท่านฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วพิจารณาองค์ฌานพอพิจารณาองค์ฌานแล้วไม่มีวิถีอื่นมาขั้น พะปัจเจกขณะวิถีก็ต้องเป็นปัจเจกขณะวิถีเท่านั้นถ้าสมมติเอาไปพิจารณาองค์ฌานพิจารณาองค์ฌานเสร็จแล้วน้อมคิดถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนาะต้องพิจารณาองค์ฌานเนี่ยแสดงว่าพิจารณาองค์ฌานเนี่ยเกิดไม่ได้มากอะไรเลยนาะปัจเจกเนี่ยแต่แต่แต่ในขณะที่พิจารณานั้นท่านคิดอะไรในองค์ฌานเท่านั้ น, น, ใ, น, ชนใช่ไหม ออกจากชาญอะไรใช่ไหมก็ตรึกในชาญไม่น่าจะตรึกได้มากเลยแต่ท่านตรึกได้มาเพราะความชำนาญของท่านเออย่างเราๆเนี่ยลองคิดดูที่ถ้าเราจะเอากระแสจิตไปนั่งแช่คิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆทำได้ยากเลยอยากหรือไงเเกปินนะไรทมชาจ่ เดียว่ปินิพพานทำไมถึงใช้ฌานนี่ีนีอรเนี่ยที่ใช้ฌานนี้เเพราะว่าต้องการดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดติดติยออาพาสคือาต้องาก็อาพาอไรนีแต่ถ้าหากว่าปกติดีไม่อาพาเพื่อออกจากฌานแล้วก็ทาปฏิเวเพราะว่าไม่มีทุกขเวทนาที่ต้องดับเลยี่่คือในในในในใ จ, จุดของการปรินิพพานเนี่ย ถ้าจะบอกว่าพระรหันทั้งหลายเนี่ยท่านมีทุกทางกายกันทั้งนั้นดังการมีขันนเป็นไปได้นี้ที่จะไม่ทุกทางกายทุกทางนั้นนแต่จะมากจะน้อยก็แตกต่างกันออกไปอย่างคือในลักษณะอย่างนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยท่านน้อมที่จะพิจารณาองชานแล้วก็ปรินิพานไม่เหมือนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะไปศึกษาต่อๆไปเนี่ย กลุ่มนั้นจริงๆก็พิจารณาใช่ไหมท่านไม่ได้มีเหตุปัจจัยในการเจ็บป่วยจากการที่ดันโดนเสือกัดเป็นต้น่านไม่มีเหตุตรงนั้นนี่แต่ท่านน้อมที่จะ ย, ยังไงยังไงท่านต้องพิจารณาก่อนแต่ไม่ได้พิจารณาองชนะันเนอะพิจารณานิพพานพิจารณากิเลส ท, ที่ละมรรคผลของท่านแล้วก็นิพพานเลยทำไมต้องรีบด่วนนิพพานเพราหมดแล้วชีวิตหมดในข น, นั้นด้ย อันนี้กกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปศึกษาต่อนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของประการต่อไปอันนี้ทําความเข้าใจเลยดูตรงนี้มราณาสันนวิถีนี่ปัจเวคขณะนี้นะมราณาสันนะเนี่ยตัวมราณาสันนวิถีเนี่ยมีชาวนะห้าขณะเท่านั้นนะแล้วก็จุติจิตอันนี้เป็นอนุปาที่เสสนิพานธาตุไปอยู่นี้มาอยู่วิถีที่สมที่ท่านเขียนกันไว้นี่ จะเป็นชวนะจุติชวนะผวังจุติก็ได้ไม่แปลกอะไรต่อมาคืออภิญญาสมานตะวิถีในอภินญาแล้วจุติใช่ไหมอภินญาแล้วจุติการทําอภิญญาทํำยังไงอภิญญาสมานตะในขณะที่เข้าอภินญาเข้าสู่พานิพานมีสองวิถีก็มีอภิญญาชวนะผวังจุติอภิญญาชาวนาจุติก็มีอย่างเนี้ลักษณะนะ ถ้าทําก็ต้องทําลักษณะประการแรกคือทํำยังไงก่อนอธิษฐานปาทกะชานวิถีใช่ไหมประการที่สองไอไอเอไ อ, อ, อ, อ, อวิถีจิตที่ไปอธิษฐานนะั่นเป็นวิถีอะไรคืออย่างนี้บาทในการที่จะเข้าพิญญาจะต้องเข้าปาธกะชานวิถีก่อนใช่ไหมปาทกะชานวิถีนะถ้าเรียกให้ตรงๆเลยต้องเรียกอธิษฐานปาทกะชานวิถีทํำไมต้องเรียกอย่างนั้น เพราะชาญที่เข้าครั้งนี้จะได้เป็นบาตแห่งการเพื่อจะไปอธิษฐานเออเขาเป็นอย่างนั้นนะอย่างพวกเราเวลาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเราอธิษฐานกันไม่ได้อะไม่ค่อยจะได้เพราะอะไรเคยสังเกตไหมอธิษฐานจันงเมื่อสักครู่ยังคุยกับโยมที่โยมก็นิมนต์ไปชัดนะถามมาว่าทําไมเราอธิษฐานอะไรมกักไม่ค่อยได้สมปรารถนาไม่ทราบ ยมก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างวเนยนะเจตนาที่ตั้งนั้นไม่มั่นคงสองวัตถุที่อ้างถึงนั้นน่ยคุณทำรรมไม่เพียงวอเอาเป็นงั้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปอธิษฐานต่อคือในขณะที่เราไปตั้งจิตอธิษฐานใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานแต่เราไปอธิษฐานบางคนก็มีจอมปลวกเป็นที่ตั้งใช่ไหมวัตถุที่ตั้งอะ วัตถุที่ตั้งที่ใจทั้งจิตและที่ฐานเนะี่ยบางคนก็แค่สารวัภภูมิใช่ไหมบางคนก็แค่เทวดาอารักษ์ทั้งหลายอะไรต่างๆเป็นคือวัตถุที่ตั้งนั้นเน่ยเขาเรียกคุณของสิ่งนั้นนั้ไม่เพียงพออย่างถ้าหากเอากระแสจิตไปตั้งไว้ในพุทธ พ, พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะอันนี้โอ้โหใช่ไหมถามมีมีใครบ้างมีคุณธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้าน่ย ในโลกและเทวโลกพรหมโลกไม่มีเลยนี่นี่คือวัตถุบริสุทธิ์แล้วประการต่อมาคือกระแสจิตที่ตั้งนั้นบริสุทธิ์ไอ้ที่ตั้งน่ะมั่นคงมั้ยหรือตั้งเลงแบบเบาๆอย่างนี้บางคนมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวกลับไปตั้งไว้ไม่ได้หรอกเพราะก็ต้องฝึกด้วยนะฮะกระแสจิตตรงเนี้แล้วก็เกี่ยวกับบุญดีด้วยนะี่ก็เลยบอกยอมเขาบอกว่าเคยตั้งจิตเขาไว้เนะี่ยแบบตั้งแบบเล่นๆเนะี่ย ไม่ใช่ถือกันว่าเล่นเลยทีเดียวตั้งแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยประมาณห้าปีสำร็จผลหมายถึงเรื่องดีนะแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันถ้าจะตั้งทำความดีอะไรเนี่ยนะไม่น่าจะเกินสองปีไม่ใช่ว่าโอ้ยดตอนเองกระแสะจิตที่ไม่ใช่องั้นคือตอนเองตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆแต่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแบบนั้น นี่ชีดาวันบอกว่าทีนี้เอาแน่แล้ว <c oughs> กลับไปตั้งใหม่เลยวใช่ไหมตัวตเวลาเวลาอยู่ที่บ้านนี่สวดมวนต์ไหว้พระทุกวันว่าบูชาพระพุทธเจ้าเคยเอาน้ําป่าบูชาพระพุทธเจ้ า, ท, าทุกวันใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกทําเป็นใครเคยทําแบบนี้ไหมน้ำใช่ไหมน้ําบริสุทธิ์นี่เปลี่ยนทุกวันมไหมนี่เสียหายตรงนี้ <c oughs> อ๋อเป็นการถวาย เป็นการบูชานะยบูชาผ้านนลยังต้องทำใช่ไหมผ้าอนนเถลาอุปถัมภพระเจ้าถวายพระเจ้ า, า ไ, นะไม่ใช่โดยมากใช้น้ำอย่างเดียวเป็นการบูชาเขาแทนได้แต่เราต้องมินิต้องรู้เหตุผลนะไม่ใด้ทำแบบงมงานนที่กำลังจะพูดอยู่นี้จะพูดไปพูดมาเอ๊นี่กำลังสอนเรื่องปัญเ จ, จ๋อ อดูอภิญยาสำนันตระนะดูในดูในชีดด้วยอภิญญาสำนันตระวิถีการทําอภิญญานี่จะทําได้เฉพาะในปัญจโวกะระภูมิเท่านั้นนะใช่ไหมอธิฐานปาทกาชัยปาทกาชาณวิถีแล้วก็มาอาธิฐานกาเมวิถีชวนะแล้วก็อภิญญาวิถีอภิญญาปาทกาวิถีอิทธิวิถีอภิญญาวิถีต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะนะีทีนี้ ตามลำดับของการเรียนเรียนอภิญญานี่เรียนมาแล้วใช่ไหมเขียนวิธีอภิญญาถูกไหมไเออตรงนี้ดูนะให้ดูนี้ทําความเข้าใจหน่อยเกี่ยวในเรื่องของการที่การเกิดขึ้นของอภิญญาสมตระวิถีนี่นะส่วนในปาธกาชาณวิถีอธิฐานวิถีแล้วก็กลับเข้าปาธกาชาณวิถีใหม่นั้นก็เป็นเรื่องเหมือนการเข้าอาิญญาโดยทั่วไป แต่การทำอภินญาของท่านในครั้งนี้นั้นเป็นการทำเพื่อที่จะปริ น, นิพานใช่ไหมถ้ายกตัวอย่างให้ชัดเจนเลยก็เหมือนกันกับพระท่านพระนนถีราเนี่ยนะที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก่อนที่ท่านจะปรินิพานนั้นท่านเข้าอภินญาก่อนแล้วปรินิพานก็แปลว่าการปรินิพานของท่านนั้นก่อนที่จุติจิตจะเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเนี่ยนะ ทีนี้การเกิดขึ้นของพาาระอรหัสที่ใกล้จะนิพพานหรือปรินิพพานมีความประสงค์ที่จะแสดงอิทธิวิทาภิญญาต่างๆเฉพาะพระภาคของว่าผู้มีประภาคเจ้าเป็นต้นนะนะหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นพระโมคะลานะเนี่ยท่านพระโมคะลานะโดนโจนทุบใช่ไหมโดนโจรทุบที่กาลาศีลาโดนทุบละเอียดหมดเลยไม่ใช่ละเอียดธรรมดานะ พอจริงๆแล้วพวกโจรทั้งหลายเนี่ยตามฆ่าตามตามทำร้ายมาไม่รู้กี่กี่ครั้งเนี่ยนะแต่ท่านก็รอดพ้นมาได้เพราะอะไรเพราะอิทธิเพราะอิทธิฤทธิ์ธของท่านเนี่ยทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็มาตํหนิถึงว่าเอ๊ะมันเป็นกรรมของตนเองที่ตามมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นตนเองที่จะต้องปรินิพานแล้วในวันเนี้ยจะต้องนิพานแล้วก็เลยน้อมให้โจร น, นั้นได้ทํากรรม คือคือจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างนี้เหมือนนางอุบลวรร น, นาเถลีซึ่งเป็นพระละหันถูกมาค่ามานพปทัทสร้ายด้วยการข่มขืนเนี่ยทั้งๆที่เป็นผู้มากด้วยอิทธิฤทธิเห็นไหมแต่ก็ไม่หนีเห็นไห้เรื่องกรรมเนี่ยมันบางทีถ้ามันมาจวนเจียนขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยากยากที่จะหลุดพ้นนะแม้แต่พระละหันทั้งหลายนยีแต่ถามว่ากระทํากระท่านก็เหมือนกระทํากันแหละ โอ้โหคนที่กระทาในบาปมากนี่ไหมทีนี้ท่านโดนทุบเนี่ยท่านบอกทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายกับท่านมากทุบจนละเอียดเลยละเอียดแล้วยังไม่พอใส่กระสอบแล้วทุบในทุบข้างนอกด้วย<ม>ก็แปลว่ากลัวว่าท่านจะไม่ตายอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านเป็นบ้ามีอิทธิฤทธิ์มากใช่ไหมพอหลังจากพวกโจรเอาเอ า, เอาทิ้งเบ็ดเสร็จแล้วพวกโจรไปกันแล้วเนี่ยท่าน กับประสานให้ให้คงที่ดูดูอิทธิฤทธิ์ของท่านนะท่านประสานร่างกายของท่านนะให้กลับเข้าดังเดิมแล้วก็ห่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าห่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อลาป ร, รินิพานเพื่อลาทิพานพระเจ้าก็ให้แสดงอิทธิฤทธิ์เลยแสดงเพราะอคคะสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยใช่ไหมเป็นภูมิมากด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยเป็นเลิศในด้านของอิทธิฤทธิ์นึงคิดเด้อ ก็แปลว่าฤทธ์อะไรที่มีอยู่ทำหมดเนี่ยแสดงฤทธิ์หมดเลยคือเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายแล้วแสดงต่อหน้าประพาสของบรเจ้าเลยเหาะขึ้นไปแล้วทาความเคารพพระผู้ใภาคเจ้า เ, เสร็จแล้วก็แสดงนั่งบุอากาศบังอะไรสารพัดนั่นเลยคนตื่นเต้นกันมากลเลยแลวแสดงทำด้วยนะเป็นการกล่าวอำลาบอกสังขานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะ คโดยมากท่านจะลาบอกว่ามันเหมือนกับว่าสังเวชสลดใจที่เกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านที่มีปัญญาบวกโอตปะที่มีกําลังนั่นท่านมีความประสงค์จะแสดงซึ่งอิทธิวิทภาพัญญาเฉพาะของพระภาคของผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นเนี่ยการแสดงอิทธิวิทภาพัญญานั้นมีตามลําดับนะก็หมายความว่าบางทีบางท่านเนี่ยแสดงแบบไหนแสดงแล้วนิพานเลย กล่าวลาเบ็ดเสร็จแล้วก็สแสดงเบ็ดเสร็จก็คือนิพพานไม่ต้องมากล่าวลาอีกทั้งเลยอ่ะยังยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างพระโมคคละเาอัยผ้าอนนลใช่ไหมผ้าอนนเนี่ยพยะญอญาตทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะแย่งโดยมากก็จะแย่งน้ํากันบ้างแย่งอะไรกันบ้างต่อมาตนเองจะนิพพานเนี่ยถ้ามานิพพานทั้งฝั่งเมืองนี้ญาติฝ่ายนี้ไม่พอใจแน่แน่ ทานิพพานฝ่ายเมืองนี้เอกฝ่ายนี้ก็ไม่พอใจทำยังไงด้วยมเข้ า, าพิญญาเลยเนี่ยประเภทอิทธิวิทภ า, าพิญญาเป็นต้นใช้เตโชธาตเผาด้วเองบนอากาศเนี่ยแล้วก็แบง่งอัตถีธาต์ของตอนเองอะ่ะเป็นสองซีกเลยอีกซีกหนึ่งตกฝั่งเมืองนี้อีกซีกหนึ่งตกฝั่งเมืองนี้ทำอย่างนั้นก็ได้ ก็แปลว่าท่านนิพพานไปแล้วนอะอภิน ญ, ญาจิตเกิดแล้วปริพันธ์จุติจิตของท่านเกิดแล้วทีนี้สรีราของท่านลอยขึ้นไปนันทีหลังแล้วก็ไฟเผาเตโชธาตคือไฟในเผาใช่ไหมเผาเบดเสร็จแล้วก็คือแบ่งแล้วก็ตกลงสองข้างฝั่งลักษณะเขาเรียกว่ายอย่างนี้เขาเรียกอะไรอภิญญาสมัมณฑรวิถีอภิญญาจิตเกิดก่อนแล้วจุดติจิตตามมานี่เป็นอย่างนี้ ลักษณะของการเกิดขึ้นก็คือเกิดยังไงปลาตการชาญวิถีเกิดก่อนใช่ไหมการเข้าชาญตรงนั้นเพื่อเป็นบาตแห่งการที่จะออกมาและอธิษฐานพ่ออธิษฐานเสร็จใช่ไหมทำไมต้องเข้าปาตกาชาญเพราะการอธิษฐานที่มีกําลังจะต้องอาศัยตัวชาญนั้นเป็นบาตในการตั้งกระแสจิตในการอธิษฐ า, านเพราะอธิษฐานเบ็เสร็จจะเข้า